วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของสติก็ได้ท่านผู้ฟังเส จ. เสือตอเต่าสระอิๆคํานี้มาตั้งแต่สมัยบาลีเดิมเป็นภาษาอย่างเช่นว่าเราระลึกถึงหน้าคนนั้นหน้าคนนี้ แนวการระลึกถึงสิ่งที่กระทําจํา 5 ปีก่อนคุณทํา เรามาเวทนาจิตหรือธรรมสมมุติอันนี้ท่านฟังจะมีนึก ดังตรงที่ว่าโอ้โหเหตุอย่างนี้อย่างนี้จึงมาเป็นบารันเหตุอย่างนี้อย่างนี้มามากมายเช่นการบ่ม ฐานที่ตั้งก็เรียกว่าเป็นที่ระลึกถึงนะพระพุทธเจ้าพูดถึงสติปัฏฐาน นะ, 4 นะคือฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนั่น แล้วก็กายเวทนาจิตธรรมอันนี้คือฐานที่ตั้งแห่งการ 4 อย่างก็มีเหมือนที่เราแตกไปอีกพุทธานุสติอย 4 อย่างที่ทําให้ใคร 70 กว่า ในที่บ้านของเขานี่ที่ A3 ขึ้น 2-3 เท่าเนี่ย 1 ไว้แผ่นนึงเขาก็เขียนต้อง 6-7 แผ่นน่ะติดไว้ ที่ตัวเองได้ทําไปอันเนี่ยก็เทวตามาก็เห็นอีกเหมือน คือการเรียกถึงการให้กรรมประชาของตัวเองแล้วหรือว่าเรามานึกถึงความที่อย่างเช่นว่านี่ๆมีศีลนะ ของคุณน้อมก็มาใส่ตัวไม่ประกอบด้วยการรู้ได้เฉพาะตนนะแล้วก็เป็นของที่เพิ่งเห็นได้ตัวเองอย่างเงี้ยเรามามา จะไปอยู่ในลีกเล่นปฏิบัตินี่สังขารเวสตินะเป็นของดีท่านผู้ฟังสติมีแล้วดีดีกว่าจะไปๆเงี้ยๆหูมาตําทางเสียง อินทรีย์คือตาหูใจ 5 อย่าง 6 อย่างนี้เป็นช่องทางทางด้านฝั่ง 6 ทางเราไม่ได้เคยออกจาก 6 ช่องนี้เลยทางฝั่งไม่ว่าจะเป็น เขาเรียกว่าวัตตะไงแนววัตตะวนน่ะเข 6 เนี่ย เขามาเอาอะไรมันมาเอาจิตของเราไปนะ เราถึงจะเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากอำนาจของมารได้เป็นไปสู่ที่ที่เรียกว่ามารนะสตินี่เป็นตัวที่ป้องกันได้พระเจ้าจึงๆและจะทําให้เป็นผู้ที่มารมีบาปเนี่ยทําอะไรไม่ได้อย่างเรามานึก มันเสียงชื่อแม่เรานี่เอาบรรดาแม่เราเนี่ยโอ้โหอ่ะถ้าเรามีสติอยู่ปุ๊บเราเราก็นึกถึงหล่มใบใจ มันทำไมเป็นยังไงโหหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยอ่ะๆเรามันนึกถึงลมไฉ่อย่างเงี้ยเนี่ยคือมันก็ดึงเงินไป ไม่ใช่นะเต่าก็อยู่ในกระดองเต่าเนี่ยเค้าลืมตานะท่านฟังไปดูเต่าตัวไหนก็ได้ที่เค้าหลบภัยเนี่ยจากสุนัขจากหมาบ้านหมาแล้วก็ตาม ใช่แต่เราเก็บจิตของเราไว้ในกระดอง แล้วปล่อยความคิดพวกนั้นไปเลยนําปล่อยความคิดที่เราฟุ้งซ่านปล่อยความคิดที่ไป อันนี้ธรรมก็คือรู้รับปลายสิ่งนั้นด้วยเลยแต่ลมหายใจของเราอย่างเดียวไหนอื่นไม่ต้องไปสนใจมันคือคุณจะปล่อยได้คุณต้องคุณคุณรู้แล้วคุณที่บริสุทธิ์นะเราทําไปอย่างเงี้ยช่วยเป็นผู้มีสติรักษาจิตได้นะ เราดุ้งอย่างงี้ก็ได้เราฟังเสียงนะเสียงนี้เข้ามาทางผ่านอาหารนะรสนี้ผ่านทางลิ้นมานะไม่ใช่ลิ้นเป็นรู้อยู่ในห้องแอร์อยู่หรือ อ่าบางทีเราไม่ได้สังเกตเออเราได้ยินเสียงเสียงวิทยุไงเราไม่ได้ยินเสียงแอร์มีมั้ยเสียงแอร์มีมั้ยมีหู นะ 100 นั่นก็มีอยู่แต่เป็นใจต่างหากนะพระเจ้าจึงบอกอินทรีย์เนี่ยเป็นที่แล่นเข้าไปสู่จิตน่ะจิตตัวนี้เช่นว่าเราคิด นั่นก็เป็นธัมมารมณ์หนึ่งแต่คุณจะสร้างตึกอย่างนั้นอย่างนี้ อันเถอะคนอินดิจิปไม่มีสติก่อนนะจิตไม่มีสติเนี่ยก็จะถูกดึงถ้ามันเป็นของที่ชอบก็กลัว นะอุจาระปัสวะราดตัวสั่นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นประจิต เขาชมคุณแหม่คุณรู้สึกดีใจพอใจนั่นคุณตกอยู่ในหน้าเขาทันทีเพราะคุณเล่นตามเกมเขาเขาจะควบคุมให้คุณเอ่อดีใจก็จะควบคุมจิตเราทําไงก็ตกเป็นท่าอย่าง อ่าเราจริงต้องมีฐานที่ตั้งการรำลึกถึงไงสติสติจะเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติท่านฝั่งจะเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติคือความหลุดพ้นจากผัสสะต่างๆ พบกันใหม่